ก็ขอโมทนาในช่วงบ่ายเรียนสติปัฏฐานเนี่ยเราเรียนทีละหมวดจริงเนียกายหมวดเวทนาหมวดจิตแล้วก็หมวดธรรมาเนี่ยแต่สรุปเบ็ดเสร็จก็คือขัน5นี่แหละเพื่อมารอบรู้ขัน5ที่เป็นไปในส่วนของโลกียธรรมนี่แหละกิเลสูปทิก็คืออุปธิคือกิเลสอุปิคือกิเลส ที่ถึงบอกว่าเป็นสุขโสมนะที่เกิดจากอาศัยกามคุณเป็นปัจจัยทําให้สัตว์นั้นเนี่ยยึดติดแล้วก็พอใจเป็นกรรมคุณเป็นกามอุปธิปะขันได้ชื่อว่าอุปธิเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกใช่ไหมเป็นที่ตั้งของชาติทุกชราทุกพญาทีทุกมรณะทุกขขันเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นขันทูปทิถามว่าทุกทั้งหลายเนี่ยมาจะขันหมดเลยถ้าเราวิจัย ในเรื่องของขันทั้งหมดใช่ไหมทุกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติทีาาทท่ทุกชะลาทุกพยาธีทุกมรณะทุกทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากอะไรมาจากขันห้าท่านจึงเรียกว่าเป็นที่ตั้งของทุกขเป็นที่ตั้งของทุกทุกทุกชนิดเนี่ยมีขันห้านี่แหละเป็นแดนเกิดทั้งไร ล, ล่ไปตามลําดับที่ ทุกที่เกิดจากาสัตว์ที่เกิดในนรกเนี่ยที่ถูกไฟนรกเผาไม่มีที่พึ่งเนี่ยนะทุกของสัตว์เดรัจฉานถูกกระหน่ำด้วยแสบประตักด้ท่อนไม้ถูกตัดคอถูกตัดศรีรษะเนี่ยนี่มาจากขันธูปที่มลทุกที่เกิดจากความหิวของพบของพวกเปรตที่จะต้องทรมานเนี่ยนะทุกที่ของพวก อ, อสุรากาย ที่เกิดในนรกโลกนตะที่เย็นจัดอันนี้ก็มาจากขันถูปทีเพราะมีขันถูปทิไงเด็กที่เกิดในคันมานดาที่เหมือนอย่างกระตกครูฐานรกนรกกีนรกอุจลาเนี่ยอยู่ในคันเป็นเวลานานเนี่ยคลอดออกมาก็ในขณะอยู่ในคันก็ทุกคลอดออกมาก็ทุกลักษณะนี้ก็คือขันถูปทินั่นเอง ฉะนั้นการ ล, ลักษณะของชลาก็เป็นทุกอันนี้ก็คือขันใช่ไหมลักษณะที่มีปัปจจัยประชมปรุงแต่งอย่างหนึ่งชลาแห่งขันนับเนื่องในพบในสันตติบัญญัติที่ชาวโลกสมมติกันไงเช่นฟันหักหนังเหี่ยวย่นอย่างเงี้ยชาวโลกเ็าสมมติกันลักษณะอย่างเงี้ยก็คือขันนั่นแหละมาจากขันทูบะที่นั่นแหละ ประสบความทุกกายทุกข์ใจทั้งหลายเสื่อมวัยแปรปลนุนหมดกําลังหลงลืมสติเนี่ยนะถูกบุตรภรรยาดูหมินเอาพรแก่ตัวไปนี่นะบุตรภรรยาก็ดูหมินดูหมินว่าเป็นคนเขลาเป็นคนโง่เอาพรแก่ตัวไปเขาก็ดูหมินทุกต่างๆเหล่านี้พระาศาสดาบอกว่ามาจะขันธูปทินี่แหละมีขันธ์ก็ดนพรรยาทีทุกโขความเจ็บปวดความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ตายที่มีลักษณะการประชุมปัจใจประชุมปรุงแต่งความแก่และความตายนับเนื่องเข้าในขันเหล่านี้นะชาติภายความตายที่มี <c oughs> ชาติเป็นปัจใจท่านบอกว่าเนี่ยคือขันทูปทิอปทุปธิคือขันอปุปธิคือขัน อภิการต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของกิเลสใช่ไหมกิเลสเกี่ยวในเรื่องของกิเลสุปเที่ยคืออย่างนี้ว่าในชั้นของคำสอนที่ท่านแสดงเกี่ยวในเรื่องของอุปธทเข้าไว้เนี่ยเพื่อต้องการให้รู้อีกอย่างก็คือตัวกิเลสกิเลส กิเลสราคาโทสะโมหะเงี้นะเขาเรียกกิเลสูปัิอุปัิคือกิเลสอุปธิคือกิเลสทั้งหลายกลุ um ่มราคากลุ่มโทสะกลุ่มโมหะตรงนี้เป็นลักษณะของกิเลสทั้งหลายนะกิเลสต่างๆเหล่านี้าษาศาสดาตรัสว่าเป็นอุปธิเหมือนกันอุปธิ ประการต่อมาก็เป็นอะไรกันอภิสังขารูปทิกุศลกรรมและอกุศลกรรมกุศลกรรมแล้วกุศลกรรมตรงนี้ก็คือว่าเป็นอุปธิเป็นเหตุทำให้เกิดอภิสังขารูปทิกุศลกรรมอกุศลกรรมซึ่งเป็นอุปธิเลยตรงนี้ตรงนี้ก็ แยกละเอียดตั้งที่ได้กล่าวไว้แล้วนะี่แหละอุปธิก็คือว่าถ้าเป็นการรมก็ชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งสุขอันเนื่องจากเป็นที่อาศัยของกาลมาสุขทั้งหลายสุขสมณะที่เกิดเพราะสายกาลมาคุณก็เป็นกาลอุปทิไปขันได้ชื่อว่าอุปทิก็เพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกนะมีชาติที่ทุกชร า, าทุกขพยาทีทุกขไปกิเลสที่ชื่ออุปทิก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกในไหนในบใยภูมิ ใช่ไหมเป็นที่ตั้งแห่งทุกในไบยะภูมิการไปเกิดเป็นสัตวน์นรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เนี่ยมาจากคําว่ากิเลสูปะทีนี่แหละเป็นที่ตั้งของทุกในไบยะภูมิอภิสังขารเชื่อโอปทิเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกในภพในการมาพบรูปประพบและรูปประพบก็ให้เข้าใจอย่างนี้แต่โอปทิที่ทรงแสดง ที่เรากําลังศึกษากันในสติปัฏฐานเนี่ยต้องการมาวิจัยขันธูปธิได้หลักเกยตรงนี้เล ย, เยก็เลยคุมเลยตรงนี้นะต้องมาการมาวิจัยตรงนี้เพื่อเห็นความเป็นไปของรูปนามขันห้านี่แหละในคัมภีร์สติปัฏฐานอาตอแต่เนี้ยนะในส่วนของจิตานุปัสสนาเนี่ยจิตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็คือว่าได้ขยายที่บอกว่าพิจารณาเห็นกายพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเห็นจิตเห็นจิตเห็นจิตในจิตภายนอกปรย่อมเสพย่อมเจริญกระทำไม่มากแล้วก็กําหนดได้ดีซึ่งจิตนั้นภิกษุนั้นเสพเจริญทำให้มากกําหนดดีๆซึ่งนิมิตนั้นแล้วย่อมน้อมจิตเข้าไปภายในจิตทั้งภายในและภายนอกนี้ท่านพูดถึงความช่ำชองเนี่ยนะ ตรงนี้ก็เมื่อจิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคาจิตปราศจากราคาก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคาจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะอันนี้ไล่ไปตามสูตรเนี่ยนะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตโธทูด้วยถีนมิทะก็รู้ชัดว่าจิตโธทูด้วยหน้าของถีนามิทะตอนนี้โธทูไหม ถ้าใครหัวถูบ่อยก็อย่าไปกินอาหารเยอะนะแต่กินไปแล้วทําไงจิตพ้งสั้นก็รู้ชัดว่าจิตพ้งสั้นจิตเป็นมหาคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหาคตะจิตไม่เป็นมหาคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหาคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตอะไรมีจิตอื่นยิ่งกว่าการมาวจรจิตมีจิตมีรูปาวจรรูปาวจรนั่นเองถ้ารูปาวจรก็มีอรูปาวจรยิ่งกว่าอย่างเงี้ยนะ อนุตตรจิตจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือมากัตจิตเนี่ยถ้าเมดเอามากัตตจิตเนี่ยามากตตาจิตหลุดพ้นก็รู้ช้เพราจิตหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยแต่ทางค้ากวิขัมพนะท่านไม่เอาจิตตั้งมั่นก็อุปจาระก็อภนาไม่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ไม่มีไม่ได้อุปจาระได้อภนา เมื่อจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่หลุดพ้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกสูชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกเนืองๆอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชานี่นะและทมานัตในโลกเสียได้หนึ่งเนี่ยนะตรงนี้ก็คือที่ได้กล่าวว่าการพิจารณาอชัชชะตะภายในตนภิทา้าภายนอกอัชชะตาภิทะ ท, ท, ทั้งภายในและภายนอก อาการที่เกิดขึ้นของวิปัสสนาญาณเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่อริยมรรคน่นะก็การกำหนดขันห้าภายในแล้วก็การกำหนดภายนอกแล้วก็ทั้งภายในและภายนอกเนี่ยโดยสภาวะลักษณะแล้วก็ประชุมลงในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเป็นของไม่งามเป็นต้นตรงนี้ก็ ในการกำหนดขันห้าภายนอกตนเนี่ยภายนอกตนเนี่ยนะตรงนี้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือว่าเมื่อภายในตนชัดเจนแล้วนั่นแหละเมื่อภายในจนตนชัดเจนแล้ว น, นั่นเองถึงบอกว่าถึงจะเป็นปัจจัยแก่การที่จะเป็นภายนอกได้อย่างอย่างอย่างดีพอสมควรเนี่ยนะ ทีนี้ในกรณีแห่งการกำหนดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในที่นี้ก็คือกำหนดจิตเนี่ยนะถามว่าเอเวลากำหนดครั้งแรกเนี่ยเขากำหนดภายในก่อนหรือภายนอกก่อนภายในเนี่ยถ้าคนที่เขาท่านในชั้นคำสอนโดยส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะสอนให้เข้าสมาบัต แล้วออกจากสมาบัติก็สมาบัติเป็นฐานในการพิจารณานี่เขามีสมาธิอย่างเนี้ใช่คือโดยมากจะเห็นในคำสอนโดยตัวตัวไปก็คือว่าใช้สมาธิแห่งฐานวิจัยเลยอย่างเราก็ใช้อะไรดีใช้ก็ล็อกแรกกันเนี่ยอย่างการไปวิจัยโด่ามากจะเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยกรณีอย่างการกําหนดในเรื่องสิ่งของต่างๆเหล่านี้ย อย่างภายนอกเนี่ยท่านสอนให้ฝึกวิจัยมาเลยเนี่ยกรณีอย่างนี้เราเห็นเป็นสีใช่ไมเนี่ยเห็นเป็นสีแต่จริงก็คือดินน้ำไฟลมมันมีสีในการกำหนดรักษสียงตรงนี้ก็โอเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ที่การกำหนดนั้นต้องต้องค่อนข้างที่ตรงนี้ก็คือว่าการกำหนดนามรูปเนี่ยนะโดยเฉพาะก็คือว่า ทางถ้าบอกทางจากขุทวานลงสุมาโนทวานโซตัทวานลงสุมโนทวาคานทวา น, าวานลงสุมาโนวทวานเป็นต้อนอะไรเนี้ยถ้าตามทางวิถีเนี่ยนะตรงนี้ก็การกําหนดทางทวานทั้งหกแล้วก็มากําหนดกําหนดรูปสมมติกํากหนดไข้ควรรูป ก, ก่อนทางจากขุทวานนะ ทางไข้ควรรูปทางโซตัาวานทางคารนทาวานคิวหาทาวานกายาทาวารและทางหายเยวัตุที่ทีทนะ่กำหนดจนวิจัยจนจนจ น, จนเรียบร้อยไปเสร็จก็กําหนดนามมาทําที่อาศัยทาวานเหล่านะั้นที่รับอารมณ์ไปอันนี้เป็นไปตามวิถีเลยแต่เนี้ยไล่ไปตามลำดับเนี่ยนะแล้วก็แล้วก็กําหนดรูปนามควบคู่กันทั้งที่อาศัยแต่เป็นไปตามทาวานต่างๆ อันนี้เริ่มชัดขึ้นแล้วก็แยกต่อมาก็แยกลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าการกำหนดรูปล้วนๆแล้วก็กำหนดนามล้วนๆแล้วก็กำหนดรูปนามควบคู่กันไปแล้ว ก, กำหนดแยกแยกรูปแล้วก็แยกนามแล้วก็ทั้งภายในตนและภายนอกตนจนชำนาญจนช่ำชองแล้วก็ยกระดับขึ้นนะ ที่ท่านใช้คำว่าสมุทยาธรรมานุปสัสสีวากายสมิงเออนั่นแหละวิหารติเป็นตัวเลยเนี่ยนะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกำหนดกายเวทนาจิตหรือธรรมะก็ันก็แสดงลักษณะอย่างนี้เมื่อชี้แนะให้กำหนดวิปัสสนาญาณโดยกำหนดอาการสี่อย่างดังที่ได้กล่าวเนี่ยนะกำหนดรูปถ้าเราจะสรุปคาสอนมานี่นะจะออกมุมเนียที่เป็นไปตามวารต่าง ที่นจักขุทาวานโซตะทวานคณทาวานชิวหาทาวานกยายยทวากรก็กลุ่มเจาะไปจากจักรคทว่าประสาทโซตะประาาสาทคณะประสาทเชิยวหาประสาทไป ต, ต, ตนน้นเลยก็คือมหาพูดด้วยอุปาทายรูปด้วยที่อยู่ในทางทวานตาทวานหูทวานจมูกทวานลิ้นทวารกายและทางมโนทวานทางใจนั่นเองอันนี้เจาะหมดแล้วนะทั้งรูปจนชัดเจนเบ็ดเสร็จแล้วบางทีบางกลุ่มก็ผ่านจากการ โ, โกทัศนด้วย ทั้งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเอาวิจัยนั่นแหละอย่างที่ในคำพิสเศิมครคท่านวิจัยนั่นแหละอันนี้วิจัยเจาะลงไปไม่ใช่แค่ไปเจาะเป็นแค่ความไม่งามเป็นปฏิกูลนะเอามาแยกเลยแยกกรุบเลยตัวนี้แยกรูปเลยปฐวีอาปโปเตโชวาโยโญใช่ไหมแล้วก็กายภาพศาสตรเออชีวิตต่างๆ่นี่กลายเป็นสิบกรูปที่เกิดจากกรรมอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็เกิดจากจิตแล้วก็เกิดจากอุตุเกิดจากอาหารรวมเบ็ดเสร็จอย่างเงี้ยก็มาวิจัยการวิจัยในลักษณะนี้แปลว่าอะไรเนะนี่ยจากหยาบหยาบเนี่ยนะจากดินน้ําไฟลมห ย, ยาบหยาบแล้วก็เริ่มเจาะละเอียดลงไปเลยเข้าใจไหมอย่าไปอย่างงั้นแหละแล้วก็เจาะละเอียดวิจัยอย่างนี้ถามว่าเป็นฝุ่นละเอียดยิบไหมแบบนี้ยวิจัยจนเป็นฝุ่นละเอียดยิบใช่ไหมยานปัญญาต้องวิจัยอย่างนั้นแหละ ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นที่ติดค้างของตัณหาการวิจัยต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ชัดเพราะคําสอนกล่าวอย่างนั้นทั้งหมดนี่ถ้าไม่สรุปอย่างนี้บเบีเสร็จโลภะธรรมล้วนๆไม่หมดจดไม่บริสุทธิ์ท่านเรียกว่าใจยังไม่สะอาดอยังแยกไม่ได้เมื่อแยกแยะวิจัยพิจารณาไม่ได้ในสุดจริงๆก็ก็เห็นอะไรเนี่ยโลกสันตติที่เกิดก่อนกับรูปสันตติที่เกิดหลังก็ไม่ถูกกระจายอยู่ดีนั่นเลย ก็ไม่ถูกกระจายด้วยสัน ต, ติคณะก็ไม่แตกสมูหาคณะกลุ่มกระราบทั้งหลายก็ไม่ถูกวิจัยจนละเอียดก็ยังไม่สามารถจะแยกได้กิจปฐวีธาตุทมกิจอะไรอาโปธาตุวาโยธาตุเตโชธาตุใช่ไหมก็เ <laughs> <laughs> นี่ยเป็นอย่างนี้บทเสร็จต่อไปก็คือนามาทำที่เป็นแปทางทวารต่างๆ นามธรรมก็อาศัยรูปารมณ์นะนามธรรมที่เป็นไปกระทั่งจากขุทวารวิถีอาศัยรูปอารมณนี่แต่แต่การวิจัยของท่านเนี่ยวิจัยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเข้าใจจุดใดจุดหนึ่งแล้วขณะต่างๆเหล่านี้ก็จะง่ายขึ้นจะง่ายขึ้นยากที่สุดก็คือครั้งแรกครั้งแรก <laughs> แล้ว อันนี้กำหนดนามอันนี้รูปชัดนามชัดต่อมาก็ควบคู่กันเลยทั้งรูปและนามเลยพอทั้งรูปทั้งนามเบสเสร็จแยกแม้ครั้งที่4ี่ก็คือแยกก็จะกล่าวลักษณะอย่างนี้ต่อไปก็เพิ่มระดับคารัํนกำหนดรูปร้วนๆกำหนดนามร้วนๆกำหนดนามรูปควบคู่กันไปก็แยกรูปแยกนามภายในตนและภายนอกตนซ้ำๆจนชนานาญแล้วก็ยกระดับขึ้นเลยตนี้ ยกระดับขึ้นยังไงยกระดับขึ้นพระพุทธองค์กําหนดชี้เนีให้กําหนดวิปัสนาในทัศนะส อ, อย่างทัศนะส อ, อย่างก็คือว่าปัจยัตโตอุทย พ, พยทัศนะแล้วก็ขยะขยะโตอุทย พ, พยทัศนะซ้อนอยังไงกําหนดวิปัสนาเนี่ยให้กำหนดโดยการอาการสีด้วยญาณปัญญาคือว่ากําหนดความเกิดและผลธรรมคือกันห้า ต่อมาก็กำหนดอวิชาตัณหาอุปาทานกรรมเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าปัจจัยโตวยาทัศนะเห็นผลเกิดขึ้นเพราะเหตุเกิดใช่ั้ยเห็นโลปะขันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุอย่างไรเห็นเวทนาขันเกิดขึ้นเห็นสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเกิดขึ้นเพราะเหตุใช่ไหมก็เลยมาไล่กันไง อันนี้เขเรียกว่าเริ่มเห็นอะไรอาศัยสืบค้นไปจากผลสาวไปหาเหตุเป็นกรณะมนัสิการประเภทสืบดูผลสาวไปหาเหตุใช่ไหมดูรู ป, ปขันดูเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขนและวิญญาณขันแล้วก็สาวไปหาเหตุปัจจัยของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อวิชาเกิดรูปขันเกิดตัณหาเกิดรูปขันเกิดใช่ไหมอุปาทานเกิดรูปขันเกิดกรรมเกิดรูปขันเกิดอาหารเกิดรูปขันเกิ ด, กดแล้วก็นิพติลักษณะอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมถ้าแยกไว้ห้าแยกไว้สี่แยกไว้ห้าเพราะจริงๆมากกว่านั้นเนี่ยในหลักจริงๆแต่ว่านั่นแหละท่านวางหลักไว้อย่างนั้นแต่ให้เข้าใจว่านั่นแหละการกําหนดเอ่ออวิชาตัณหาอุปาทานนั้นเพราะอะไร ความเกิดของผลธรรมการเกิดของรูปธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกระเพาะเขียดทั้งหลายนั่นเองเพราะอวิชาเกิดเพราะตัณหาเกิดเพราะอุปาทานเกิดเพราะกรรมเกิดแล้วก็เพราะอาหารเกิดบ้างเพราะผัสสะเกิดบ้างเพราะนามรูปเกิดบ้างไล่ไปตามลําดับพอจะแยกเห็นไหมเพราะเราสรุปกันมาหลายครั้งแล้วนี่สรุปประเด็นได้ยังหมอสรุปประเด็นได้ไหมตรงเนี้ย และเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วมาถึงเริ่มยากอย่างเขาบอกมีสองส่วนไงปัจยยะโตอุทยาพยะทัศนะกับขณนะขยะขยะโตอุทยาพยทัศนะ เห็นความดับของผลธรรมเห็นวิบากนะเห็นคือวัตถาก็เห็นขันห้าเห็นขันห้านั่นแหละโดยไม่เกิดอีกต่อไปจากการปรินิพานจุติเพราะความดับไม่มีการเกิดขึ้นเพราะอรรถธรรมทั้งหลายเช่นอวิชชาตันหาอุปาทานสังขารกรรมเป็นต้นดับเนี่ยนะอย่างนี้เห็นผลธรรมดับเพราะเหตุดับนี่เป็นการที่2ประการที่สาม น, นี่นี่อธิบายใจความของคําว่าสมุทยาธรรมานุปัสีวากายสมิงวิหรารติวยธรรมานุปัสีวาสมุทยาธรรมานุปสีวากายสมิงวิหรารตินะขยายความมาสรุปประเด็นอัตถกถาดีกามาสรุปประเด็นตรงนี้เขาไว้จากพระบาลีตรงนี้นะเพราะพระบาลีนี่ก็แปลท่านแปลไว้สั้นนิดเดียวใช่ไหมบาลีมีนิดเดียวต้องขยาย อาศัยจากอัตถกถาเลยดีกาเลยก็ประมวลสรุปออกจะออกมาแบบนี้ถึงจะไปสรุปยังไงก็จะออกมาแบบนี้แหละในชั้นคําสอนฉะนั้นถ้าจะประเด็นไม่ได้นี่นะเพราะท่านจะสรุปทุกทุก บ, บัทั้งกายานุปัสสนาเวทนาจิตตาแม้ธรรมานุปัสสนาก็จะสรุปประเด็นเหล่านี้ก็คือว่าในการกําหนดในกายในเวทนาในจิตในธรรมะก็ทรงแสดงเช่นนี้ก็สองส่วน ปัจยะโตอุทยพยทัทสนะก็คําว่าขยะโตอุทยพยทัทสนะอันแรกก็คือเนี่ยหนึ่งก็คือความเกิดขึ้นของผลธรรมทั้งหลายก็คือความเกิดขึ้นของรูปรขันของเวทนาขนันสังขารขนันวิญญาณขนันเพราะเหตุทั้งหลายก็คือเอาวิชาตัณหาอุปาทานและกรรมเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าปัจยยโตวยทัศนะ เห็นผลเกิดเพราะเพราะเหตุเกิดเพราะเหตุเกิด 2. ความดับของผลธรรมนะของผลวิบากตัววะตานะวะตตดดับนะตัวเนี้ยตัวรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันหโดยไม่เกิดอีกต่อไปเนื่องจากอะไรปรินิพานจุตินี้ดับถาวรลไหม เนี่ยเพราะความดับอันไม่มีเหลืออีกเพราะอะไรเพออราะอรหธรรมอ่ะอรหธรรมอ่ะเป็นตัวทำลายเหตุทำลายอาวิชชาตันหาอุปาทานกรรมเป็นต้นนี่ก็เรียกปัจจยโตวยยัตทศนะเห็นผลดับเพราะเหตุ ด, ดับใช่เห็นอวิชชาดับเห็นตันหาดับเห็นกรรมดับใช่เห็นอุปาทานดับ แล้วก็อาการดับของรูปของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน่แหละดับไปแบบไม่ปฏิสนธิแล้วนี่เขาเรียกว่าเห็นอะไรเห็นปรินิพานจติ 3. ความเกิดความเกิดของเหตุและผลทั้งสองนั้นมาจากคาว่าขณะโตอุทยาอุทยาทัศนะเห็นความดับโดยขณะนั้นโดยยกสังขารธรรมคือเหตุและผลขึ้นสู่ไตรลักษ แล้วก็กำหนดเจริญวิปาาัสนาญาณกำหนดเจริญวิปาาัสนาญาณอันนี้ว่าเรื่องการลำดับวิปัสนาญาณเลยเนี่ยนะประการต่อมาก็คือความดับของเหตุและผลทั้งสองนั้นนะเขาเรียกขณะโตวยยัตสนะเห็นความดับมันจะมีสองประการนะเออตรงนี้ก็คือว่าในพระพุทธองค์แสดงรวมสามญาณนะเป็นอันเดียวกัน ปั จ, จยปริกหายานสำมัสนายานอุทยพยาญานเนี่ยในปั จ, จยในปั จ, จยะปริกหายานนี้ก็มีสองอย่างเนาะมีปัจจยะปริกหะอัธานาปริกหะก็คือปั จ, จยะปริกหายานปัญญาที่กําหนดรู้ความเกิดความเกิดของผลธรรมก็คือขันห้านี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิญญาณ นามรูปสลายยตนาภาษาเวทนาในปัจจุบันถ้าดูตามปฏิจจานี่นะจะเห็นบอกว่าเห็นอะไรเห็นอวิชชาเห็นกรณีแห่งการที่บอกว่าวิญญาณ น, นามรูปสรายยตนาภาษาเวทนานี้เป็นกลุ่มของวิบากใช่ไหมเป็นกลุ่มของผลในปัจจุบันเพราะเหตุทั้งหลายมีอวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมเป็นต้นที่กระทําไว้แล้วในอดีต ที่จริงอันเดียวกันไหมเนี่ยอันนี้เห็นปัจจัยใช่ไหมสืบค้นไปจากผลธรรมสืบหาเหตุปัจจัยของเวทของของอะไรเห็นปัจจัยของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของขันห้าเนี้ยเดยีของรูปของวิญญาณ น, นามรูปสลายยตนาภาษาเวทนานั่ยแหละและเวทนาในปัจจุบันเป็นต้นด้วยอันนั้นก็สายจาก ว, วิชาตันหากรรมในดีด สนอัฏานะปริกหายานก็คือปัญญาที่กําหนดรู้ผลนั้นเกี่ยวเนื่องกับเหตุที่เกี่ยวข้องกันระหว่างอดีตกับนาคตอดีตกับนาคตรู้อดีตอนาคตเขาเรียกอัฏานะปริกหายานก็คือรวบปริฆาสออย่างนั้นเป็นอันเดียวกันเรียกว่าปัจจยะยปริกหายานบ้างกังขาวิตตรนาวิสุทธิบ้างลักษณะอย่างนี้นะเขาเรียกว่ารู้หลักของปฏิจจสุบาททั้งที่เป็นอดีตอนาคตด้วย ปัจจุบันก็รู้แล้วใช่ไหมตรงนี้ก็คือและก็เลยมาสรุปบอกว่าฉะนั้นการที่บอกว่าการเจริญวิปัสสนาญาณเนี่ยนะที่ท่านวิธีการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะถ้ารู้แต่รูปธรรมล้วนๆอย่างเดียวนะก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้ นามาทำอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ตรงนี้นะก็สรุปแล้วก็คือต้องกำหนดกำหนดรู้รูปนามด้วยรมของวิปัสสนาเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปตามลาดับแล้วก็สามารถที่จะรู้ทั้งรูปและนามเป็นต้นดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยนี่นี่สรุปในลกนนักษณะนี้ในชั้นของคาสอนท่านจะสรุปประเด็นไวอ้อย่างนั้น ทนี้จิตที่ไปกำหนดใช่ไหมถ้าไปกําหนดกายานุปัสสนาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งจิตที่กําหนดเวทนาก็อีกอย่างหนึ่งที่กําหนดจิตก็อีกอย่างหนึ่งจิตที่กําหนดธรรมะก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้ก็คือว่าการเริ่มต้นในกรณีของการกําหนดจิตตาที่เราศึกษากันนี้ก็คือว่า สติที่ประกอบกับวิปัสนาปัญญาของผู้ปฏิบัติในการกําหนดรอบรู้จิตด้วยปัญญาแล้วเข้าสู่วิปัสนาญาณก็ชื่อว่าจิตตานุปัสนาบุคคลผู้ประกอบด้วยสตินั้นก็ชื่อว่าจิตตานุปัสสีสติที่ประกอ บ, กบอริยมรรคในขณะที่อริยมรรคของผู้ปฏิบัติเจริญวิปัสนาจนสามารถบรรลุได้แล้วก็ชื่อว่าจิตตานุปัสนาผู้ประกอบด้วยสตินั้นชื่อว่าจิตตานุปัสสิจิตอะไรนะเมื่อกี้ว่าไงนะ ไม่คดไม่มีใครถามเลยตรงนี้ก็คือว่าอย่างนี้นะที่บอกว่ามาสรุปตรงว่าทั้งภายในภายนอกเป็นต้นเหล่านี้นะในชั้นของเล่มเนี้ยท่านขยายพิจารณาเนืองๆบอกว่าพิจารณาอย่างไรเป็นต้นเนี่ยเปิดไปอีกหน้าหนึ่งนะหน้าที่สิบท่านมาขยายคำว่าปัญญาขยายคาว่าความเพียรแล้วขยายคำว่าสติ ตรงนี้ก็เอาในวิพังมาขยายบอกว่ากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรการวิจัยทำความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งเห็น ไ, ไหมฮะงนั้นการรู้ของปัญญาไม่ใช่รู้ธรรมดาเลยรู้อย่างไกลเห็นรู้อย่างกับแกวมั น, นีอยู่ในฝ่ามือเห็นอย่างงั้น การค้นคิดการใคร่ควรปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเป็นเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ชัดปัญญาเหมือนประตักปัญญาคือปัญญินีนั่นแหละปัญญาภะละปัญญาเหมือนสัตตราปัญญาเป็นประสาทปัญญาคือความสว่างแล้วก็ปัญญาเหมือนประที่ปัญญาเป็นดังดวงแก้วความไม่หลงความวิจัยธรรมสัมมาทิฏฐิอันใดอันนี้เรียกว่าการพิจารณาเห็นเนือง เห็นจชัดอย่างเงี้ยเพิกสูเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วไปถึงแล้วด้วยดีแล้วก็ถึงแล้วดีแล้วเข้าถึงแล้วเนี่ยประกอบแล้วด้วยการพิจารณาเห็นเนืองๆ อ, อย่างนี้เขตนั้นจึงเรียกว่าพิจารณาเห็นเนืองๆตรงนี้ท่านก็มาขยายขยายปัญญาที่ท่านขยายกันไว้นี่นะสรุปตรงนี้ปัญญาด้วยแล้วก็มาดูช่วงสัมปชัญญะ สัมปชัญญะความรู้ชัดกิริยาที่รู้ชัดเนี่ยนะตรงนี้ความวิจัยความเลือกสรรวิจัยทาความกำหนดหมายความก็ไปกำหนดความกำหนดได้เฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดแล้วก็รู้อย่างละเอียดด้วยนะรู้อย่างละเอียดด้วยเพราะสภาพที่รู้แจ้งสภาวะลักษณะ และสามั ญ, ญลักษณะนนปัญญารักษณะนี้รู้แจ้งสภาวะลักษณะก็คือรู้ปัจจตาลักษณะของสภาวะธรรมทุกประเภทรู้แจ้งสภาวะลักษณะของปัทวีใช่ไหมของอาโปของเตโชของวายโยงเี้ยแล้วก็รู้แจ้งสภาวะลักษณะของวิญญาณคือจิตเนี่ยนะเช่นว่าปัทวีเนีย ลักษณะก็คือสภาพที่แข็งสภาพที่หยาบสภาพที่หนักเียหรือสภาพที่อ่อนสภาพที่เบาสภาพที่นุ่มเียไปดูลักษณะของปฐวีธาตุอย่างเงี้ยหรือรัศกก็คือสภาพเป็นที่ตั้งที่เกิดของหมู่รูปที่เหมือนกันเว้นตัวเองนี่คือก็คือรัศกก็คือกิจกิจของปฐวีนั้นอาการปรากฏก็คือสภาพที่รองรับหมู่รูปธรรมที่เหมือนกันตนเอง เหตุใกล้ของเขาก็คือไฟน้ำแล้วก็ลมอย่างนี้นะการที่เข้าไปรู้สภาวะลักษณะของปัทวีอย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้เป็นปัญญาที่เข้าไปรู้ทีนี้ถามว่าปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมถ้าจำจาตัวนี้ไม่ได้เพราะการจำตรงนี้สติจะได้ทากิจที่สติเนี่ยที่บอกว่าความระลึก ความตามระลึกเนี่ยความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจำเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าทรงจำสภาวะลักษณะไม่ได้ก็จะไปบรรลุอะไรนันต้องทรงจำได้ความไม่เลอะเลือนความไม่หลงลืมสติอินทรีย์คือสติพาร ะ, ะคือสตินี่บ่งบอกถึงการออกจากมุตตสติได้ ออกจากการหลงลืมได้มุทัศติอกุศลน่คือการหลงลืมเลอะเลือนไม่ตั้งมั่นไม่ประดุดดังแผ่นหินที่จมใช่ไหมเป็นลอยเหมือนกับลุกน้ําเต้าอย่างนี้นะลักษณะนี้เขาเรียกว่าสติไม่มีสติต้องเป็นอินทรีย์สติต้องเป็นพร ะ, ระสติต้องเป็นสมาสตินี้เรียกว่าเรียกว่าสติสติตรงนั้นนั่นแหละ ระลึกนั่นแหละจะเป็นฐานของวิปัสนาปัญญาไงคือสภาวะที่รู้แจ้งไงสภาวะที่รู้แจ้งสภาวะลักษณะแล้วก็สามัญลักษณะท่านถึงบอกครูถึงว่าสภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงแล้วก็สภาพธรรมที่รู้แจ้งตรงอารมณ์ปรมัต ธ, ธรรมดุดนักแม่นธนูยิงตรงเป้า และอย่างกิจกจราศาก็คือสภาพธรรมที่ส่งอารมณ์ให้สว่างเจิดจ้าเหมือนกับจุดประทีปในที่มืดเลยอาการปรากฏก็คือธรรมที่ไม่หลงต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอันนี้เ็าเรียกว่าปัญญานหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากิจราศาของลักษณะก็คือสภาพธรรมที่รู้แจ้งสภาวะธรรมคือสภาวะลักษณะ นี่ถ้ารู้แจ้งสภาวรษณะของชื่อของปัญญานี่นะก็แปลว่าวิจัยเลยปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุสีกิ่นรสโอชาธาตุทั้งหลายก็รู้ลักษณะของของสภาพเหล่านี้ตรงนี้แปลเห็นหมยังยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าไปกำหนดเกี่ยวในเรื่องของของรูปารมณ์ของรูปารมณ์ อรารมณ์สภาพธรรมที่กระทบกับจักรุปส萨กใช่ไหมนี่ลักษณะกิจจาระศาสก็คือสภาพธรรมที่อุปการละต่อจักรคู ญ, ญานโดยอรารมณะปัจจยสติคือความสา ม, มารถอันเป็นเหตุคืออารมณ์นี้ส่วนสัมปติระศาของรูปอารมณ์ก็คืออะไรสภาพธรรมที่สมบูรณ์แล้วที่ความสมบูรณ์ก็คืออรารมณ์ปัจจะยสติคือคุณอันเป็นความสา ม, มารถก็คือเหตุอันเป็นอารมณ์แล้ว ประทาฐานก็คือสภาพที่เป็นอารมณ์ของจักรูญญาณเงี้ยเกิดปัจจุประทาเนี่ยผ้าประทาฐานก็ดินน้ำไฟลมนี่แหละเป็นประทาฐานของรูปารมณ์ทีนี้ดินน้ำไฟลมเกิดจากกรรมดินน้ำไฟลมที่เกิดจากจิตดินน้ำไฟลมที่เกิดจากอุตูและอาหารกรณีอย่างเงี pues ้ยปัญญาต้องรู้รู Platform, detox, settling, organic organic ้ ivity, อย่างเงี้ยยากไหมถ้าแบบเนี้ยปัญญาต้องรู้อย่างเงี้ย ฉะนปัญญาความไม่หลงความวิจัยทำสัมมาทิฏฐิอันใดอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะเป็นต้นเราเนี่ยนะเขาต้องบอกว่ารู้สภาวะลักษณะและสามั ญ, ญลักษณะส่วนกิจรัฐกิจรสของปัญญาก็คือกําจัดความมืดคือโมหะโมหะมันปิดบังอะไรปิดบังสภาวะลักษณะกับปิดบังสามั ญ, ญลักษณะใช่ไหมที่สัตว์ไม่เห็นสภาวะลักษณะก็ตัวโมหะนี่แหละปิด ลำดับแรกเนี่ยพอเราจำสภาวะลักษณะได้ใช่ไหมเช่นลักษณะของรูปลักษณะของปฏทวีอโปโตโชเนี่ยลักษณะกิจจรร a ษะปัจจุบัฐานแล้วก็ประทัดฐานเนี่ยการจำในลักษณะอย่างนี้นี่แหละแล้วต่อไปก็ไอความจำที่เราจำได้เนี่ยจะเป็นปัจจัยเป็นประทัดฐานของสติพื้นฐานก่อนเห็นไหมท่านถึงกล่าวไว้สองตัวเลยว่า มีความมีสัญญาที่มั่นคงเป็นประทัฐานของสติแล้วก็มีกายเป็นต้นเป็นประทัฐานของสติแปลว่าอะไรจำได้ก็ถ้าจํากายได้พิจารณากายได้ถ้าจําจําลักษณะของกายได้จํากิจของกายได้จําอาการปรากฏของรูปกายได้จําประทัฐานของรูปกายได้คุณเจริญสติประทัดนในกายยาได้ถ้าคุณจําลักษณะของเวทนาได้ แล้วก็กิตของเวทนาได้อาการปรากฏของเวทนาได้และประทัดฐานของเวทนาได้คุณจเจริญเวทนานุปัสนาได้สติถึงจะกําหนดได้ถ้าหากว่าจํลาลักษณะของจิตได้ลักษณะของจิตนะจิตจารัศาสของจิตได้อาการปรากฏของจิตได้แล้วก็ประทัดฐานของจิตได้นั่นแหละถึงจะกําหนดจิตตานุปัสนาได้ ทนี้จิตมีไม่ต่างกันนะแต่เนี้ยปฏิสนธิจิตก็อย่างพระวังก็จิตก็อย่างอาวชนะจิตจกักขุญญาณสัมปติชนะสันติระนวธฒิวนนาชาวนะที่เป็นกุศลชาวนะที่เป็นอกุศลโลภะเอวยโทสะเอยโมหะเอยลักษณะต่างกันนี่จิตก็ต่างกันอาการปรากฏก็ต่างกันประทัฐานก็ต่างกันไงแต่ทาลมนาะเนี้ยขยายอย่างแต่เนี้ยเนี่ยถ้าไม่เข้าใจลักษณะลักษณะประยุติธรรมประทฐานของจิต แล้วจำไม่ได้ก็ไม่มีสัญญาที่มัน่นคงจะเป็นฐานของสติปฐานก็ไม่กายจิตาก็ไม่เป็นประทฐฐานของสติแล้วก็จำไม่ได้แล้วทำยังไงเนี่ยฉะนั้นการปฏิบัติไม่ใช่ไปบนฐานของความเลื่อนไม่ได้ไปตั้งสติบนบนฐานของความเลื่อนฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ความเข้าใจก็เหมือนคุยกับยมสุวรรณตอนนั่งทานอาหารใช่ไหม ลามสวรรบอกว่าโอ้โหพึ่งเข้าใจว่านี่ว่าที่เรียนมาทั้งหมดคือมาใช่อย่างนี้จริงๆเอ๊ะทงนั้นเรียนมาแทบแย่ไม่ใช่ไปกำหนดจุดเดียวงี้ไปกำหนดอย่างเดียวก็ยุ่งแล้วแต่เนี้ยยุ่งแล้วไอ้ที่เรียนแทบไม่ได้ใช้เลยเอาสิที่ฟังมาฟังพระธรรมมาแทบไม่ได้มาใช้เลยเนี่ยเป็นไปได้งไงฉะนั้นนี่แหละข้อมูลที่สืบค้นมาทั้งหมดเนี่ย จะไประดมใช้ตอนนี้แหละแต่ไม่ใช่จําแบบสับสนไม่ใช่ต้องลําดับถูกลําดับเทศนาอย่างไรต้องเข้าใจลําดับการแสดงเนี่ยลำดับแห่งการปฏิบัติเนี่ยและลําดับแห่งการละเข้าถึงลําดับแห่งการละเนี่ยต้องต้องชัดตรงนี้นทุกวันนี้บางทีเราฟังลําดับเทศนาได้บางท่านแต่พอลําดับแห่งการปฏิบัติยังไม่รู้จะเอาอะไรขึ้นต้น ขึ้นก่อนเลยอเงี้ยนี่ก็อันนี้ก็เริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วนะอย่างนี้เป็นต้น น, นี่พอมองเห็นใช่ไหมว่าสภาวะลักษณะเนี่ยเป็นตัวเป็นที่ไม่เห็นสภาวะลักษณะตามความเป็นจริงเนี่ยเพราะความโมหะเพราะโมหะโมหะไม่ถูกทำลายเพราะไม่มีสัญญาที่มั่นค ง, งของสติพอไม่มีสัญญาที่มั่นคงจำสภาวะลักษณะได้สติไม่เกิด พอสติไม่เกิดสติจะไปกําหนดกายอย่างไรเมื่อไม่รู้จักกายจะไปกําหนดเวทนาสัญญาอย่างไงสังขารวิญญาณอย่างไงนี่มองเห็นได้อย่างเดีนี้ฉะนั้นตัวโมหะเขาปิดบังอะไรปิดบังสภาวะลักษณะของสภาวธรรมทั้งหมดการที่เราจะไปเปิดโมหะออกจากม่านตาม่านใจได้เนี่ยก็ต้องต้องอาศัยความจําจากพระธรรมของพระศาสดา เมื่อจําว่าทําจากพระศ า, าสดาเบ็ยดเสร็จแล้วก็เอาไปประชุมไปไข่ควรตามความเป็นจริงเอาไปหลักเทียบเคียงแต่นี้จะไปได้แล้วแต่นี้ยถ้าเราสรุปคําสอนได้อย่างนี้ชัดแต่นี้ไม่ไม่เลือนเรือนแล้วหมอมองเห็นไม่เดี๋นวนี้ไม่ใช่อย่างกระโดดไปทั่วนะที่กระโดดก็เอานั้นอยากเรียนอันนี้ก็อยากเรียนไปทั่วแล้วสรุปประเด็นออกมาไม่ได้ว่าไงเนี่ยแล้วชีวิตของใครใครของเราใครรับผิดชอบตัวการกระทําของเราเนะ การกระทาทุกอย่างเนี่ยเราเป็นผู้ให้เป็นผู้รับผิดชอบตัวเองเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะไม่มีใครมารับผิดชอบแทนเรานะเจ็บปวดหรือสุขทุกทั้งหลายเนี่ย